ตอนที่33ทนเห็นพวกนางได้ดีไม่ได้โจเจีน้นยืนอิ้มตัวแข็งที่อยู่กับที่เมื่อครูน่นี้ดูเหมือนเขาจะไม่ได้สังเกตอันดับด้านบนจริงๆคุณย่าของเสี่ยวหวันดูปราดเดียวก็รู้เลยว่าท่านเป็นผู้มีการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ถึงได้อบรมสัง่งสอนลูกชายออกมาได้ยอดเยี่ยมและมีหลานสาวที่เก่งกาจเช่นนี้หากท่านมีเคล็ดลับอะไรต้องบอกพวกเราบ้างนะเด็กจะเรียนดีการกวดขันของผู้ปกครองย่อมสําคัญแต่การที่หลานสาวฉันสอบได้คะแนนดีขนาดนี้หลักๆแล้วเป็นพระตัวนางเองที่ยอดเยี่ยมพวกเราแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลย เจ้าชุนฮาวารู้สึกเบิกบานใจยิ่งนักนางรู้สึกว่าสายตาของผู้คนรอบข้างที่มองมาล้วนเต็มไปด้วยความอิจฉาระยิประยับต้องรู้ก่อนว่าเมื่อก่อนเวลามาโรงเรียนทีไรเป็นต้องถูกตําหนินี่เป็นครั้งแรกเลยที่ถูกครูเอ๋ยชมเช่นนี้เจ้าชุนฮาวาควงแขนหลีหวานคลางเอ๋ยชมไม่หยุดเจ้างุนฉงมีแววตาขำขันพาดพานเขา อ, อบเอลีชิงทิงตามสัญชาตญาณเห็นได้ชัดว่าเป็นครอบครัวที่ปรองดองกันอย่างยิ่ง โจเจี้ยนเย่ยืนอยู่ข้างๆเราวกับเป็นคนนอกเขาอ้าปากอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่พลันตระหนักได้ว่าตอนนี้เขาคือคนนอกจริงๆลีชิงผิงเป็นภรรยาของเจิ้งหยุนชงแม้แต่ลูกสาวก็กลายเป็นลูกของคนอื่นไปแล้วเขาไม่เคยรู้เลยว่าหลีหวานจะเก่งกาดถึงเพียงนี้จ้วงหยุนการสอบเข้ามัธยมปลายระดับเมืองนั้นหรือในขณะที่โจเจี้ยนเยี่ยกำลังตกตะลึงเหลียวเคอะเคอก็รู้สึกอิจฉาอยู่ในใจนางพันสังเกตเห็นว่าร่ีรีวิ่งหนีไปแล้วแถมยังไม่รู้ว่าวิ่งไปตั้งแต่เมื่อไหร่ เจียนเย่ A พวกเราเรียกไปกันเถอะน้ำเสียงของหลิวเคอเคอดูร้อนรนรืยอยรือคงไม่ได้ไปทําเรื่องโง่โง่หรอกนะคุณไปก่อนเถอะโจเจียนเย่ยใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าจะหาเสียงตัวเองเจอเขาอ้าปากค้างหลิวเคอเคอร์อไม่มีทางยอมไปคนเดียวเด็ดขาดนางไม่มีวันทิ้งให้เขาอยู่ที่นี่กับพวกหลีชิงผิงตามลําพังแน่ตอนนี้พวกนั้นเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วคุณจะอยู่ตรงนี้ทําไมคําพูดของหลิวเคอเคอช่วยเตือนสติโจเจียนเย่ยได้ทันเวลา โจเจียนเ ย, ย่เดินตามหลิวเคอเคอจัดไปอย่างใจลอยทว่าสิ่งที่หลิวเคอเคอไม่รู้ก็คือในช่วงบ่ายวันนั้นโจเจียนเ ย, ย่ได้ย้อนกลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งตอนนี้ในโรงเรียนไม่มีนักเรียนเหลืออยู่แล้วเขาเห็นชื่อของหลี่หวันอยู่ในอันดับที่หนึ่งในใจพลันเกิดความรู้สึกสับสนวุ่นวายอย่างบอกไม่ถูกตอนเที่ยงเจ้าชุนฮวาเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารที่โรงแรมเพื่อฉลองที่หลี่หวันสอบได้เป็นจ้วงหยวนการสอบเข้ามัธยมปลายระดับเมืองนางเจอใครก็เปล่าประกาศไปทั่ว ใช่แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าหลานสาวฉันปีนี้เป็นช่วงขึ้นการสอบเข้ามัธยมปลายระดับเมืองตลอดทั้งวันหลีหวานยิ้มจนหน้าแทบแข็งหลีชิงพิงไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรอีกต่อไปเพราะครูจากโรงเรียนมัธยมปลายชื่อดังจะติดต่อมาหาพวกนางเพื่อเข้าเรียนโดยตรงมือ้อ่ําเป็นอาหารที่เหลือมาจากร้านอาหารของรัฐเมื่อตอนกลางวันหลีหวานกินไปเพียงเล็กน้อยเพราะรู้สึกเลี่ยนก่อนนอนนางดื่มน้ําผู้วิญญาณไปนหนึ่งแก้วจัดระเบียบสมุนไพรในมิติเล็กน้อยแล้วจึงห่มผ้าข่มตานอน ในห้องข้างๆหลีชิงพิงยังคงรู้สึกเหมือนกําลังฝันไปมันดูไม่เหมือนความจริงเลยเจิ้งหยุนชงอับน้ําเสร็จกลับมาเห็นนางในสภาพนี้ก็ยกยิ้มมุมปากเสียวานฉลาดเหมือนคุณนั่นแหละฉันฉลาดที่ไหนกันฉันไม่ไดเรียนหนังสือด้วยซ้ำหลีชิงผิงยิ้มออกมาฉันกําลังคิดว่าในเมื่อเสียวานเรียนดีขนาดนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องส่งเสียนางให้เรียนสูงสูงลืมการพัฒนาของสังคมในวันข้างหน้าขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ไม่ได้หรอก เจิ้งหยุนชงพยักหน้าเห็นพ้องกับสิ่งที่หลี่ชิงถิงพูดเมื่อมองไปที่หลี่ชิงถิงแสงไฟสลัวสีเหลืองนวลในห้องตกกระทบใบหน้าของนางที่เต็มไปได้วยความอ่อนโยนหัวใจของเจิ้งหยุนชงพันสั่นไหวเขาไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ลุกขึ้นไปปิดไฟเอ๊ะหลี่ชิงถิงกำลังสงสัยว่าทำไมเขาถึงปิดไฟโดยไม่บอกกล่าวร่างสูงใหญ่ก็ทับทับลงมาได้เวลาเข้านอนแล้วนี่มันเพิ่งกี่โมงเองเสื้อผ้าของคุณฉันยังซักไม่เสร็จเลยนะพรุ่งนี้ผมซักเองอื้อ การรายงานตัวเข้าเรียนมัธยมปลายจะเริ่มในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและเปิดเทอมชั้นมัธยมศีงในช่วงต้นเดือนกันยายนยังเหลือเวลาปิดเทอมฤดูร้อนที่แสนสบายอีกประมาณหนึ่งเดือนหลี่ชิงถิงคิดว่าเรื่องการเรียนของลูกสาวคลี่คลายลงแล้วนางก็ควรจะหางานที่เหมาะสมทำเสียทีแม้เจ้างุนฉงจะไม่อยากให้นางออกไปทำงานข้างนอกแต่หลี่ชิงถิงไม่คิดจะใช้ชีวิตอยู่บ้านแบมือของเงินไปวั น, วน ในเมื่อข้างนอกหางานดีๆไม่ได้เจิ้งหยุนฉงจึงจัด ก, การให้นางเข้าไปทํางานในห้องครัวโรงอาหารพูดง่ายๆก็คือเป็นคนงานทั่วไปล้างผักหั่นผักเตรียมของงานค่อนข้างเหนื่อยแต่เงินเดือนแต่ละเดือนมากกว่าที่คุณทําที่ร้านอาหารของรัสเซียคากทําไปนานๆในอนาคตเมื่อกเกษียณก็จะมีเงินบํานาญและมีสวัสดิการในแต่ละเดือนด้วยที่สําคัญที่สุดคือใกล้บ้านสะดวกสบายอย่างยิ่งฉันไม่ได้สร้างปัญหาให้คุณใช่ไหม ลี่ชิงพิงเอ่ยถามอย่างระมัดระวังงานดีๆอย่างในโรงอาหารต้องมีคนอยากสมัครมากมายแน่ แ, นแต่เจิ้งหยุนฉงกลับจัดการให้นางเข้าไปได้ย่อมต้องใช้เส้นสายแน่นอนคุณเป็นเมียผมจะเรียกว่าปัญหา ย, ยังไงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกก่อนที่เราจะแต่งงานกันตอนที่คุณบอกผมว่าอยากหางานทําผมก็คิดจะจัดการให้คุณเข้าโรงอาหารอยู่แล้วแต่ตอนหลังคุณหางานที่ร้านอาหารของรัฐได้เองผมเลยไม่ได้บอกฝ่ามือหนาของเจิ้งหยุนฉงตบหลังมือนางเบาๆ เ, เ, เป็นสัญญาณว่าอย่าคิดมาก คุณลองทําดูไปก่อนถ้าคิดว่าเหนื่อยเกินไปพวกเราก็ไม่ต้องไปเงินเดือนของผมเลี้ยงดูครอบครัวเราได้สบายมากฉันมีมือมีเท้าจะให้คุณเลี้ยงฝ่ายเดียวได้ยังไงหลีชิงพิงไม่กลัวความเหนื่อยต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็คงไม่เหนื่อยไปกว่าชีวิตที่ผ่านมาหรอกแกมาทำไมท่านใดนั้นเสียไม่พอใจของแม่สามีก็ดังมาจากในลานบ้านหลีชิงพิงในหน้าขึ้นมองเห็นว่าเป็นโจเจี้ยนเ ย, ย่นางจึงเดินออกไปผมมาหาหลีชิงพิงมีเรื่องจะถามนาง สวันที่ผ่านมาโ จ, า เ, จาเจียนเย่ยคิดทบทวนอยู่ที่บ้านมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาคิดไม่ตกหลีหวานจะสอบได้เป็นจ้วงหยุนการสอบเข้ามัธยมปลายได้ยังไงต่อ น, นางอยู่บ้านนอกนางไม่เคยเรียนหนังสือเลยสักวันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสอบได้คะแนนดีขนาดนี้คิดไปคิดมาเขาจึงคิดว่าอาจเป็นเจ้างุนชงที่ใช้อํานัตมือปลอมแปลงคะแนนการปลอมแปลงคะแนนไม่ใช่เรื่องเล่ น, เ ล, นเล่นหลีชิงผิงผู้หญิ ง, งโง่คนนี้ไม่รู้เลยว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรหากถูกใครเปิดโปงผลลับจะเลวร้ายเกินคาดคิด โจวเจี้ยนเ ย, ย่ไม่ได้เป็นห่วงเจิ้งหยุนฉงเขาแค่กลัวว่าชื่อเสียงของตัวเองจะได้รับผลกระทบไปด้วยหากพวกนั้นยอมรับผิดและขอโทษแต่โดยดีเรื่องนี้อาจจะได้รับการผ่อนปรนแกกับลูกสะใภ้ฉันแยกกันแล้วพวกแกยังมีอะไรต้องพูดกันอีกลูกสะใยฉันไม่อยู่บ้านแกใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้หลี่ชิงพิงไม่อยู่บ้านแล้วนางจะไปไหนได้โจวเจี้ยนเ ย, ย่ไม่เชื่อพวกนั้นเพิ่งแต่งงานกับหลี่ชิงพิงจะออกไปข้างนอกทั้งวันทั้งคืนได้ยังไงแกมีทุระอะไรกับฉัน ลี่ชิงพิงขัดจังหวะคำพูดของโจเจี้ยนเ ย, ย่อย่างรำคาญพวกเราไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วเรื่องที่ควรพูดก็พูดไปหมดแล้วรบกวนแกอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตฉันอีกถ้าแกจะมาหาลูกก็ต้องดูว่าลูกอยากเจอแกไหมหรือว่าแกทนเห็นพวกเราแม่ลูกได้ดีไม่ได้คะแนนเต็มที่หลีหว่านสอบได้มันคืออะไรกันแน่นางสอบได้ด้วยตัวเองจริงๆหรือโจเจี้ยนเ ย, ย่ถามออกไปตรงๆง ลี่ชิงผิงแกมันไม่มีความรู้แกไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้จะมีผลตามมายังไงการกระทําของพวกแกมันคือการหลอกลวงฉันไม่เชื่อว่าคนที่ไม่เคยเรียนหนังสือจะสอบได้คะแนนเต็มน้องชายของเคร์เคเขายังเรียนตามลําดับมาตั้ง9ปีผลลัพธบยังได้คะแนนรั้งท้ายเลยลูกสาวฉันละมันทําไมในสายตาฉันลูกสาวฉันยอดเยี่ยมที่สุดนางเป็นอัจฉริยะฉันละไม่เข้าใจความคิดแกจริงๆลูกสาวสอบได้คะแนนดีขนาดนี้แกที่เป็นพ่อกลับคอยแต่จะจับผิดแกอิจฉาลูกสาวตัวเองงั้นหรือ